แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จักบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช5 4 9พร้อ้ามและตาคุณต้นมีอะไรต้องกล่าบนำหรือเปล่าไม่มีอะไรขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาวคณะ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งโยมญาติมิตรทั้งหลายอื่นด้วยที่ได้มาร่วมกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ขออนโมทนาทุกท่านที่มีศรัทธาในการที่ได้เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เข้าโครงการที่ธรรมสถานจัดขึ้น ศรัทธานั้นเป็นเครื่องนำให้เรามีจิตใจมุ่งมาในการที่จะเข้าสู่โครงการคือมีความเลื่อมใสมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและต่อจากนั้นก็ทำให้มีกำลังนอกจากนามาแล้วก็มีกำลังด้วยถ้าโยไม่มีศรัทธาก็ไม่มีกำลังที่จะ เดินหน้ามาในการปฏิบัติอันนี้มีศรัทธาเป็นเครื่องช่วยให้เกิดกําลังแล้วก็มีฉันทะอีกมีความพอใจในการปฏิบัติพอใจในความวิเวก ค, ความสงบสงัดในเรื่องของบรรยากาศเป็นต้นตลอดเจตัวการปฏิบัตินั่นเองคือมีความ ชอบที่จะทารักที่จะทารักที่จะปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็โยมก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติที่ได้เรียกว่ายืนหยัดหรือยืนยงมาจนกระทั่งถึงจบโครงการในปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ปีนี้ก็มาต่ออีกจกนกระทั่งจบปรรษาวันนี้ จ, จะมาภาพลงมานี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแสดงธรรมอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่าจะมาพบกับญาติโยมพระครูประหลัดบอกเมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกว่าโครงการของธรรมสถานครบแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้าย ก็มาพบกันโยมเพราะว่าปีที่แล้วก็พบครั้งหนึ่งก็ดูจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายรองจากสุดท้ายแล้วก็จบโครงการมาวันนี้ได้ทราบว่าเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบสองก็มาพบกันเมื่อมาพบกันก็เป็นเพียงคุยกันทั่วๆไป แลเรื่องจะคุยอะไรบ้างก็อยากจะให้เป็นการพูดจาสนทนาโต้อตอบมากกว่าที่ว่าอาตมาจะเป็นผู้พูดให้ฟังในนี้เรื่องของการมาพบป่านี่พระครูประหลัดบอกว่าเสารนี้เป็นเสาสุดท้ายอาตมามานึกอีกทีว่าเอเสารหน้านี่ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอยังไม่ออกพรรษาใช่วันออกพอดี วัดออกแล้วไม่มีใช่ไหอ๋อโตลงก็เลยเอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จริงตอนบ่ายวันนี้จตมายัางนึกเอ๊ะสงสัยวันนี้จะลงไม่ได้แหละดูท่าไม่ค่อยดีนึกว่าจะผัดโยไปปีหน้าค่อยมาพบกันคืออันนี้เล่าเป็นความรู้นะไม่ใช่ว่าจะมาให้กังวลหรืออะไรทั้งนั้น ปีนี้เป็นปีที่สุดกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วก็ว่าไม่ค่อยดีปีนี้สุดมากคือว่าเจ็บระบบหน้าอกมาตั้งแต่ก่อนเร้าพรรษาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นมาตลอดจนกระทั่งบันนี้อันนั้นก็เรื่องหน้าอกแล้วก็สองก็ท้องเสียทุกวันสิบวันนี้อาจจะเว้นสักวันหนึ่งแล้วก็มาตอนนี้ที่ ฉันน่สิ่งที่ถือว่ามันช่วยให้ท้องดีขึ้นอยู่ตัวขึ้นก็พอไปได้แล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่ได้ฉันอะไรหรอกยังไม่ฉันข้าวพอฉันแล้วก็นอนเลยเพราะเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ฉันแล้วก็ภัคบ่ายตอนนี้ทาอะไรไม่ค่อยได้พอนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องนอนอีก ทนไม่ไหวต้องลงนอนหลับจึงกรทังเย็นทั้งคำนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายแต่ไม่ใช่เรื่องเพลียคนละเรื่องบางท่านไปนึกก็เป็นเรื่องเพลียถ้าเพียนี่ไม่ค่อยสำคัญเพลียนี่ถ้าไม่ใช่โชคก็เป็นโอกาสคือว่าทำให้ได้งานถ้าเพลียแล้วก็ทำงานได้ดีแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเพลียมันเป็นเรื่องที่ร่างกายสมองอะไรไม่เอาแล้ว ไหนอ๋อตาไม่หายหรอกตาก็เป็นตอหินจะหายยังไงตาอหินมันไม่หายแก้ไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าคุมไว้ไม่ให้มันเสื่อมลงไปกว่า น, นั้นคือที่เสียไปแล้วก็เสียไปไม่ให้เสียเกินกว่า น, นั้นตอนนี้ก็คือต้องใช้วิธียอดยาลดความดัน ตาก็ไม่มีอะไรหรอกเลยพออั น, นี้เล่าเป็นความรู้โยมจะไปถึอสาอั น, นี้ก็เมื่อมาพบกันแล้วก็มาคุยกันก็อยากจะให้ทางฝ่ายโยมเป็นผู้ถามก็คุยกันก็ต้งตองโต้อตอบนะไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวถ้ายังไม่มีอะไรต่อมาก็พูดคุยไปพลาง โยมมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็มีความรู้ถ้าเรียกว่าปริยัติเนี่ยเป็นฐานจะรู้มากรู้น้อยกันแล้วแต่ก็ต้องรู้บ้างแหละรู้ปริยัติปริยัตินี่คืออะไรนะปริยัติเราก็มักจะแปล ก, กันว่าการเล่าเรียนแต่ที่จริงความหมายอย่างนี้เป็นความหมายชั้นสองไม่ใช่ความหมายแท้ปริยัตในความหมายที่แท้ว่าพุทธพจน์ ท, ที่จะพึงเล่าเรียน ตัวพุทธพจน์ได้นแะจริงจะเป็นปริยัติที่เรามาใช้นะเป็นความหมายแบบคลาดเคลื่อนนิดหน่อยหรือใช้แบบว่าหลุมหลวมแต่เอาเป็นปริยัติเป็นการเล่าเรียนไปก็ใช้ได้เหมือนกันเลยกลายไปว่าจะเรียนอะไรก็เป็นปริยัติไปหมดที่จริงไม่ใช่หรอกในความหมายในพระศาสนาแท้นี่ปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ ท, ที่จะพึงเล่าเรียนก็หมายความเราต้องการรู้คําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้พระองค์เองแล้วก็ทรงบรรลุผลก็จะพูดภาษาสมัยนี้ก็คือได้ทรงมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติและผลในการปฏิบัตินั้นมาเล่าให้พระสาวกทั้งหลายฟัง คำตรัสเล่าของพระองค์เนี่ยก็มาเป็นสิ่งที่เราจะเล่าเรียนกันเพราะเราต้องการรู้พระองค์เนี่ยได้ปฏิบัติมาอย่างไรทรงรู้เข้าใจอะไรได้ผลอย่างไรประสบการณ์ของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่มีค่าพอเราเชื่อพระองค์เราอยากจะปฏิบัติตามพระองค์เพราะนั้นเราก็คอยรอฟังคําสอนหรือคําบอกเล่าของพระองค์ เขาบอกเล่าของพระองค์ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนแล้วก็ถือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าทั้งหมดนั่นแหละเรียวกว่าปริยัติในปริยัติจึงแปลว่าพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนนี่คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเล่าเรียนทั่วไปก็แปลว่าต้องแยกความหมายเป็นสองชั้นว่าความหมายที่แท้ในพระศาสนาปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียน กล่าวคือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่นํามาตรัสเล่าไว้ให้พวกเราได้นํามาใช้ประโยชน์ถ้าเราถือว่าเราไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องอาศัยปริญญาติแต่ถ้าเราถือว่าเราเชื่อเราฟังเราพึ่งเราอาศัยพระพุทธเจ้าก็ปริยัติก็มีความหมายแล้วก็ขาดไม่ได้เพราะว่าที่เราจะ มาปฏิบัติอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาจะอาจจะกพระไตรปดกโดยตรงหรือครูอาจารย์เอามาถ่ายทอดให้เราก็แล้วแต่บางทีก็ถ่ายทอดต่อมาหลายชั้นกว่าจะถึงเราบางทีก็บอกแค่ว่าเอา้าไปนะเธอไปนั่งนั่งอย่างนั้นนะพอบอกว่านั่งอย่างนั้นน่ะก็ปริยัติเลยใช่ไหม บอก ว, วิธีนั่งให้นั่งที่เราเรียกว่านั่งสมาธิอะไรเนี่ยนั่งขัดสมาธิเราเอาให้หายใจเข้าหายใจออกนะกําหนดลมหายใจอย่างนั้นนี่ก็ปริญญาธนนั้นแหละที่ครูอาจารย์บอกถ้าบอกตรงก็ตรงตามที่พุทธเจ้าตรัสเล่าไม่ตรงก็อาจารย์ก็เพี้ยนก็แล้วแต่เนี่ยปริญญาธเราก็ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้าง ก็เป็นฐานของการปฏิบัติพอเราได้ฟังคำตรัสเล่าของพระพุทธเจ้าจากประสบการณ์ของพระองค์แล้วจากแหล่งที่เราเห็นว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะก็ถือว่าใจปิดกนี่ก็เป็นที่พยายามจะรักษากันมาให้ดีที่สุดนะพระใจปิดกเป็นแหล่งที่รักษาไว้ดีที่สุดรักษาคำตรัสเล่าประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าใจปีดกเป็นหลัก แล้วก็อามาเป็นฐานของการปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าคําสอนในพระไตรปิฎกมีมากและเกินบางทีเราดูไม่ทั่วถึงอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญชํานาญก็คือครูอาจารย์ท่านมาช่วยบอกให้เรื่องนี้านมาเฉมีเฉพาะกรงนี้นะมีอยู่กองโน้นด้วยเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ถูกกงนั้นจะบอกให้ชัดอย่างนั้นอย่างนี้โยงให้เราอีกเราก็ชัดขึ้นมานํามาใช้ปฏิบัติได้ดี เมื่อเราชัดในการปฏิบัติเราปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็ได้บรรลุผลก็เรียกว่าปฏิเวทก็ครบกระบวนการก็เรียกว่าปริยัติป ฏ, ป, ปฏิบัติปฏิเวทก็แปลว่าปริยัตคือคำตรัสเล่าประสบการณ์ของพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็มาเล่าเรียนแล้วก็จากคาบอกเล่าประสบการณ์ของพุทธเจ้าอันนั้น ที่เรียกว่าปริยัติเราก็มาใช้เป็นฐานเป็นหลักของการปฏิบัติปฏิบัติไปถ้าเราปฏิบัติถูกก็จะได้รับผลก็เป็นปฏิเวทไปก็ครบสามขั้นพระศาสนานี้ก็มีอยู่สามส่วนนี้แหละมีเท่านี้มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นมรรคผลนิพพาน อันนี้บางทีพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ค่อยนิยมตรัสปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้อัตมาพูดเป็นความรู้ให้โยมได้ยินได้ฟังไว้พวระพุทธเจ้าไม่ค่อยตรัสชุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระองค์จะตรัสชุดศิกขาแล้วก็ปฏิเวทเลย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในพระสูตรว่ามีว่าสิกขาแล้วก็มักจะมีคำ น, ำนาหน้าซะด้วยนะบอกว่าอนุปุปภสิกขานะแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็ใช้คำว่าอญยาปฏิเวทโทโยมลองฟังก็เพราะดีเหมือนกันนะอนุปปภสิกขาอญยาปฏิเวทโทนี่คำพระพุทธเจ้าเองแท้ ปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนี่ชุดนี้เป็นชุดที่พระอาจารย์อย่างพระแตกถาจารย์เนี่ยท่านชอบใช้ก็มาแยกให้พวกเราสะดวกในการเล่าเรียนศึกษาในการกำหนดชุดพระพุทธเจ้าเองมักจะจัดอนุปุพพศิกขาอัญญาปฏิเวโทอ่าแล้วเป็นยังไงล่ะอนุปุพพศิกขาอนุปุพพะแปลว่าตามลําดับ แล้วก็สิกขาก็แปลว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ก็แล้วแต่ก็ที่เราใช้ปฏิบัิเรียนรู้การเรียนและการปฏิบัติแล้วว่าสิกขาหรือศึกษาในภาษาไทยมันก็ความหมายเพี้ยนไปเรื่ยสิกขาได้คือเล่าเรียนให้รู้แล้วทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้ได้ทำให้เป็นทั้งเรียนให้รู้และทำให้ได้ให้เป็น จึงจะเป็นสิกขาไม่ใช่แค่เรีย น, เ ป, นนะเป็นสิกขาก็สิกขาเนี่ยมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเราคิดดูสิถ้าศึกษาเพียงแค่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อ้าวแล้วใจสิกขาลองแยกดูสิมีอะไรวิศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสิกขาการศึกษาเนะี่ยประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ใจสิกขาแล้วดูสิมันเป็นเรื่องปฏิบัติเท่านั้นเลยเรียนที่ไหนอ่ะใช่ไหม เนี่ยศิกขาที่แท้นเนี่ยมันอยู่ที่ปฏิบัติแต่ว่าท่านรวมหมดปฏิบัติได้มันต้องอาศัยเล่าเรียนให้รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นคําว่าศิกขาเนี่ยมันเป็นคำที่เท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกันนี่ก็อัตมากำลังจะโยงให้เห็นว่าชุดสองของพระพุทธเจ้ากับชุดสามที่พระเถระถาอาจารย์นิยมกล่าวก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าจัด รวบคือสมัยที่พระอยู่กับพุทธเจ้าแน่นอนต้องฟังพระองค์อยู่แล้วเพราะนั mm ้นก็พระองค์ก็จะเน้นไปที่พระปฏิบัติอ้าวฟังฉันไปแล้วก็ไปปฏิบัตินะนะนั่นก็เลยว่าเล่าเรียนและปฏิบัติเรียกว่าสิกขาที่ว่าศึกษานะต้องเล่าเรียนให้รู้ก็คือปริยัติ ด, ด้วยแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วย พูดสั้นๆว่าปริยัติและปฏิบัติรวมกันเรียกว่าศิกษาคือการศึกษาเวลานี้เราเอาปริยัติเนี่ยเป็นศึกษาไปที่จริงพระพุทธเจ้าจัดเน้นน่ศิกษาเน้นที่ปฏิบัติยังเอาอันนี้นอกเรื่องแทรกไปอีกดนึดนงยางในแห่งหนึ่งเนี่ยท่านแยกาศาสนาออกเป็นปฏิบัติศาสนาเนี่ย หรือปฏิบัติศัทธธรรมที่เราบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่ที่เมื่อกี้บอกปริยัตคือพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนใช่หปริยัตอ้าวแล้วปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือสีสมาธิปัญญาเห็นไหมปฏิบัติก็คือไา่สิกขาตกลงปฏิบัติเนี่ยก็ตัวสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสิกขาเนี่ยมันเน้นที่ปฏิบัติ ขนาดที่ท่านเอาไปใช้เป็นคําจํากัดความของการปฏิบัติเลยนะว่าการปฏิบัติคืออะไรก็คือใจศิกขาดะงนั้นตัวปฏิบัติที่แท้เนี่ยก็คือใจศิกขานี่เองการศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอันนี้ไปดูเอาตัวแท้ๆเลยเนะี่ยคาจำกัดความในคำภีร์เลยไม่ต้องมาพูดกันเองแล้วอาโยมจะได้ชัดเอาไปอันว่าพระพุทธเจ้าตรัส อนุปุปภศิกขาศิกขาในที่นี้ก็ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งเล่าเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติที่ที่ไมมีอนุปุปภอนุปุปภสิกขาก็แปลว่าศึกษาตามลําดับหมายความมีขั้นมีตอนการศึกษานี่มีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทำเรื่อยๆเปื่วยๆสับสนลักลั่นทํามีขั้นมีตอน ถ้าเรียกว่าอนุปุพปสิกขาและบางทีพุระเจ้าก็ใช้ว่าอนุปุพาพปฏิปทาครับไปอีกย้าเป็นคําที่ใช้เป็นชุดอนุปพปสิกขาอนุปุพาพปฏิปทาและสิกขานั่นแหละเป็นปฏิปทาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติปฏิบัตินั่นคืออะไรก็คือมักเอาอีกแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนียก็ตกลงสิกขาศีสมาธิปัญญา นะก็เป็นอนุปุปสิกขาใช่ไหมก็สีสมาธิปัญญาก็เป็นอนุปุพพะแล้วเป็นลําดับแล้วแล้วมาเป็นอนุปุพพะปฏิปทาไปปฏิปทาตามลําดับแล้วปฏิปทานี่คือไรปฏิปทาการปฏิบัติการดําเนินปฏิปทาเนี่แปลว่าการดําเนินการดําเนินดําเนินอะไรและกรรมดำเนินตามทางอัติทางอะไรทางก็มักตกลงก็มักมักก็มีองค์แปดมักมีองค์แปดสรุปเป็นอะไรก็เป็นสีสมาธิปัญญาตกลง โออนุปุภพปฏิปทาก็มักมีองค์8นั่นแหละก็ปฏิบัติตามลําดับดําเนินไปตามลําดับมีขั้นมีตอนก็อันเดียวกันภูตเจ้าก็ตรัสไว้ให้ใช้คําต่างๆเหล่านี้ให้เป็นคําเป็นชุดเราจะได้โยงธรรมะมาหากันได้ง่ายเอาละได้ความว่าอนุปุพะศึกขาอนุปปพะปฏิปทาก็คือเรื่องศึกษาสามเรื่องมักมีองค์8เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่รวมหมดทั้งปริยัตปฏิบัติด้วยกันแล้วก็เน้นที่ปฏิบัติเพราะเรียนไปแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็จัดพอได้อนุปุปสิกขาแล้วก็อัญญาปฏิเวโธปฏิเวโธก็ตัวเดียวกันก็คือการแทงตลอดนในพระสํานวนโบราณ น, นะปฏิเวโธกับการแทงตลอดการแทงตลอดก็คือการบรรลุผล คือยังรู้ความจริงด้วยปัญญาทีนี้ทำไมจึงมีคำว่าอัญญาอัญญาตัวนี้แปลว่าพระราตพลอัญญาแปลว่าอะไรอัญญามาจากตัวอาอยู่ข้างหน้าแล้วก็บวกกับยายาแปลว่าความรู้ที่มาเป็นญาณและอาแปลว่าทั่วบวกกันอากับยาเป็นอัญญา แปลว่าความรู้ทั่วอันนี้แปลโดยรูปศับเท่านั้นเองความหมายที่แท้จริงก็คือพระอรัตผลอัญญาในพระอรัตผลบลุอัญญาก็คือบลุอรัตผลนี่ก็คือจุดหมายนั่นเองตกลงว่านี่ก็คือหลักปฏิบัติไม่ใช่แค่ปฏิบัติละหมดเลยทั้งชุดอนุปปสิกขาัญญาปฏิเวโทสิกขาตามลําดับ แล้วก็บรรลุความรู้แจ้งสมบูรณ์ที่เรียกว่าอรัตผลัญญาปฏิเวทโธก็ครบหลยนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสรุปยังไงก็ได้หลายแบบนี่เป็นวิธีสรุปอย่างหนึ่งตกลงในวันนี้ต่มามาพูดเพลงเทียบให้เห็นสองชุดชุดง่ายๆที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังชินกว่าก็คือชุดปริยัตปฏิบัตปฏิเวท แล้วก็ต้องเข้าใจให้ชัดว่าที่แท้นั้นปริยัติหมายถึงพุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนแล้วก็ปริยัติปฏิบัติมารวมกันก็เป็นสิกขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจัดชุดง่ายๆสั้นๆแค่สองว่าอนุปปสิกขาัญญาปฏิเวทโทการศึกษาตามลำดับขั้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุผลคือความรู้ ทั่วตลอดที่เรียกว่าบารรลุอรัถผลก็เป็นจุดหมายของพุทธศาสนากระจกนี่ก็เป็นการสรุปอย่างหนึ่งแ้โยมยังไม่ถามแะ้วก็คุยต่อไป <c oughs> คุยไปเรื่อยๆ